แ, แม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจไว้สิ่งที่เจอมีเฮตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดี ว้อหากเป็นคนดี